พระธรรมเทศนาจาดอกเรื่องนางมากปินคำภกติ8ปดเรียบเรียงโดยอินสมชัยชมพูปเปลี่ยนคำุกปรโยคนักทำเอกอดีตเจ้าคณะจังวัดเชยียงไฮยอะโมตัสภะกาวาโตอาราโตสมมาสมพุทธะ ตตาปิโอุพโจญาปติกาตุกตาหุตวปาหินาการังวะสิ่งสุตีสาธาวุดูราสปุริจตังาลอันนังย้ายหลแลตังเท่าแกเดคาจุงจักดาฟังที เราจากจีจะครลำดับไปติดต่อตามบาทคอบาลีว่าตาตาปิโคโพจัญญปฏิกาดังนี้เป็นเก้าถ้ารับต่อเต้าสุดไปบัดนี้แลนะ ตาตาปีโคในกาละนั้นเลามีสองเท่าผัเมีแย่แปลงเฮือนเยียอยู่ซางดอกเมืองกวางธานีริมนาตีนำใหญ่ <c oughs> อยู่ห่นตเวียงใจตกท่านัดใจไม่เดือดบ่หเหือดแลง่ายบ่มีสายลูกเตาจักอยู่เฝ้ารุมรา กันจากดาไก่รุงสายฝ้าปุงเรื่องไรส่องเข็นใจปู่ป้าก่อหับซาบุ้งวายใส่ของลายพักไม่อันหาได้นำมาแต่วันว่าเมื่อคำมีค้อมพ่ำมหลายอันเรภพายพันเตียวต้องเข้าสู่ห้องเบียงใจแล้วเร็วไวว้าว่าวาดเข้าสู่กาศขายของ เอาปีตองพักไม่และเครื่องใจอาหารตั้งเข้าสารปูมากตามเข้าหากจักปันและ อ, อปักกันปอกสูญยังตีอยู่เคหา <c oughs> แล่อบแาวซาอย่างจอดกันหิวหอดไม่หายก่อพันภายเตี้ยวกว่าเข้าสูปาดงดอนซ้อเฮ็ดหอนพักไม่ใส่ธงใหญ่ฟ้ามา อาวันดาคำลาลงละปาข้าวเขียวจริงจกเตียวมารอดถึงที่จอดเพื่อนตนตั้งสองคนป้าปูจริงจอดอยู่เศานอนไก่ลงก้นเมื่อเจ้าปูยาเท้าสองขาก็แต่งดาพักไม้ใส่บุ้งใหญ่กลวยวายรีพันภายตั้งกูเข้าไปสู่ปุรี เอาตองปีหยื่อกุ้ยของห่มหวยดงดอนคือเฮ็ดหอนลายหลากแลกปู้มากอาหารเป็นนิจาการจจใจพอเ ว, ว้นไว้วันใดแลนาตามปนาตีว่าสั่งยังมีวันหนึ่งเหล่าปูหญ่าเท่าสองขาดนำของนานาไปกาดแหลกเสียงขาดเรียวปันก่อปะกันปิกปอก วายนาออกขึ้นมาตามบักกาตั้งใจมารอดไก่หอคำแห่งนังอาทมใจถอยคือนาังนัดหน่อยมัตตนี <c oughs> หันดอกบัวดีดวงใหญ่อยู่ตีไก่ตั้งเตี่ยวสองขาเลวสั้นพอกันทะาหล่อเอาใจวันนะใส่ว่าวาพงกีกับดาบาน สองเท่าผ่านเกิดไข ว, ว่าดอกนี่ใหญ่เดือลายกันท่าพายลำหมอกพิษจากดอกธรรมดาสันได้จาตกคางโ <c oughs> ยจิมคางกองตั้งหรือว่านางแม่เจ้าตนเป็นเก้าหอใจหรือดังใดข้าคอยสัตวดอกซอยลงมา จากผังกะภาษาตีห้องราดไปบนเป็นของค้นขว้างแล้วยอมกาดแก้วพญากวนเราราอย่าจา้าเก็บใส่ซานำไปเท่าเข็นใจเกิดแล้วก็ดเก็บดอกแก้วบวคำแล้วรีบน้ำไปสู่ยังตีอยู่เฮือนตน ตั้งสองคนขี่ไร่เก็บเมียดไว้ไปไหนแล้วเร็วไว้ก็พากออกไปจากเกหาเขาดงดาห่มหวยซออโยกวยเฮ็ดหอนดันดงดอนจูบ่ลเป็นดังก่อนวันอน่อนก็มีฮันแลลนา กันสองขาขี้ไรเข้ า, ขาป่าไม่สแสวงหายัางของนานาม้วนหมูอันมีอยู่ดงรีญนาตาและมีเหมื่อดได้ดังอันตาตาในกาละนันใสวิญญาณางนาไทัยปินคำอันติดคำตัวดอกก่อพดออกเป็นคนมีตัวตนบ่เศร้าเหมือนจตดเก่าจูอันอัน เสาวสวันบวิเศษหัวเก้าเหตุหันใส่มีหัหวใจต่ำก้อยตกจ่องห้อยเดือลายบ่อพันภัยกาพากีไปจากเกหาเ <c oughs> ต่ออาอัดจัอยู่เฝ้าทราบสองเท้าขึ้นมาส่วนสองขาปูป้าปอกจากป่าไร่สนมาเฮือนตนย่ำคำตาวันต่ำลงแรง หันสายรอมเปลงยอดซอยงามเจ่นจ้อยเดือคนอยู่เงื่อนตนดังอันก็คขึ้น ด, ดันสังกาจริงเจียนจถาทข่าว <c oughs> นางก็กล่าวไขาการฮือสองพานแก่เท่าเงินเก้าจูพาการก็บีหันและนา ธามทังประกาศเสนโต ส, สัทธาสัทธาสัพพัญญูยอดซอยหันบัทอยบาลีบทหลังมีไปแจ้งพระจริงแสงเตสานาวาญาตาอุพจัญญาปฏิกาดังนี้เป็นตนพิกาเวดุราภิกุตั้งลายอันเป็นสายอริยาเจ้า ส่วนว่าเท่าสองขาเก็บป้าตุ้มมาวีเศษอันจิตนางน้อยเนตปินคำหากติดคำข้างอยู่นำไปสู่เกหา <c oughs> นอกป่าราเมืองใหญ่ซ่อนเมียดไว้ไปไหนแล้วหนีไปสูปาเพื่อกโลาสแสวงหายังของนานาป่าไม่ตำด้อยใหญ่ผาจัน ดังตั้งวันเมื่อก่อนสอดไขยบนดงรียาตาและมีเมื่อใดดังอันตาตาในกาลนันไสกาละไข้ตัวตั้นวิญญาณสาวสะวรรคนัน้องอันติดของอะไรในดอกบัวใสวิเศษก่อกะเปิดเป็นคน เป็นโอปาปาติกาตนพาเสดคือพศเกิดบาดเดียวใหญ่รวดเร็วบ่อจ้าหันต่อหน้าสับพันบ่อพิษพันแผกเบาเหมือนจ่าเก่าปินคำนางบุญดำแต่ปไทายขะนิ่งไข่ไปมามีสัญญาแจ้งขวาดหูดถึงจติเดิมออนดังคนนอนเมื่อคำตื่นขึ้นพัมบันลุน <c oughs> หูเก่ามูลวันกน่อนบ่มีบอลสงสัยสืบสายไปจ้าใจหูแจ้งไข่ตามมีสาวสาลีหล่อเบาลวดโกเสาเครื่องกา้าว่ากรรมสั่งจาคืนขอบสยองตอบตอดจนหฮือตาร่นมาดไม่ภาคป่าไม่ดงดอนมาานะกรใหญ่กว้าง พ่อเอพาคางสามีกาย่อนนางปา่าละยาบจะได้คำคานางตายบุญจำไม้พดเกิดเอากำเนิดเป็นคนทวนสองหนีเหล่านางนอนเน า, นาสาวสีขึ้นเครื่องขีหลายหลากบ่อจังผาไปในเท่าอดใจอยู่เฝ้าในเฮือนเท่าสองขา ถึงตาวันดาตามก้อยลับเลียมน้อยอยู่กันทอนปูนยาจอนปิกปอกวายน้าออกขึ้นมาถึงเกฮาที่อยู่เข้าไปสู่ภายในหันสีดองไว้ผาเสดงามลำเลิดเหลือคนจุมสาวบนหลอกววางไั่บองเตรียมตั้นส่องเท้าหันสะดุ้งสติฟุ้งเววน ว่าตั้งตนไววันมีใจสันเววาว่าสันได้จ้าดังอีแต่ก่อนกี้เหมือนนานบ่มีหลานลูกเต่าหรือเจื๋อเผา ว, วงซาจักเตียวมาหาสูมายังอยไไู่ภายในเป็นสันไดนี่เหล่าสาวหนุ่มเด่ายิงรามลักคางามองอาจวันนาวิลาศเหลือคน คอยเอาตนมาส่อนอยู่ในบ่อนเกหาหรือเตวาดาฝากฝ้าลงแหลงลามาจูหรือหนักงูตัวใหญ่กับเป็ดใดแถลงเป็นหรือยอยากเย็นผีเพดอยู่ในเขตดงตันกายกับพันหลกหนักนาออกจากป่าดงรีหรือว่าผีดอกไม้เราเก็บได้นำมา จากป่ารเมื่อเจ้ากินรสเร้าเดือลายแม่นผีพายติดดอกออกมาหลอกเราราญินสังกาลายแหล่หญ้าเท่าแก่กลัวตายตาหมวัวลายไว้วันสาตานสั่นตั้งตัวกำแขนผัวไววมันว่าสุยาพอสั้นดันไปจุงเร็วไว้เล่นกว่า ไปจอมขาเรียวปันกันตัวมันเปิบใส่สู่เตียงใดว่มงาวกันบ่อตายตันบาาเตียงเป็นพาญาตเมืนนานส่วนผพัวพานเท้าปูใจบ่อโยกับตัวปากบอกกัว่าตัวสันดะปากลั่นสามทีว่กกูมีมนดีสารบเคยแป้ภาพพีมาน แบ่งใจหานตั้งต่อออกปากลอ่อจะทมบาดูระนงังนองร่ำนอหน่อยงามซอ ย, ล, อยล้อยเลือตานาั่งเป็นทิดาลูกเตา้าเชื่อกดเงาเจ้าได้โยตีไกหรือไกลูกเตาไทยหรือหลันพญาเป็นลูกพระจ้าไพราบหรือลูกอามาดคนใน เป็นสันใด้เต้ยวต้องมาอยู่หอ้องเรือนเรานาังลงเหงาน่อยอ่อนเป็นสาวบอลเมืองคนหรืออยู่บนฝากฝ้าหลงแหลงลาสวรรค์ลวดพายพันมาส่ยังตี้อยู่เราราหรือนาคาต่ำใตกับเป็ดได้ถแถลงเป็นหรือยักษเย็นพายเพ็ท่าแหล่งเพ็เป็นนาง นางอย่าพาังหลายเล่นจุงตามเส้นกองทารีบไขกั๊บอกก่าวหื้หูข่าวตามมีบัตรนีแดดเตอร์เมื่อนั้นสะลีกิงบางยอดซอยจริงตอบพ้อยไขจาลำดับมาแต่เก้าท้าราบต่อเต้าถึงปายด้วยปริญายหลายแล บ่อเวนแหวบทใดหื้อส่องเข็นใจป้าปูได้ผ้าหูจูพ้าการกอมีฮันและนาเตตัสาวาจะดังสตวาส่วนว่าเท่าสองขาฟังนั่งจาตอบท้อยนำตยยำาย้แย่ลำไหลยินมีใจหฮักทอด ยังนางยอดบุญนำจริงไข่กํมต้านต่อว่าดูราั่างนอบุญเรื่องนางยาเครื่องไม่มาดย่าคืดขาดขี่มองอย่าคืดปองจักว่าเอาต่างนาเป็นไปจุงแปลงใจจืนจ้อยอยู่ตบหน่อยเราราขอสีโซฟาหล่อเบาเป็นลูกเตาสายใจ ตามวิสัยตุกอยากปูป้าหากใจบ้านถึงตุกผ่านตุกถอยอยู่ตุบน้อยต้องเขียวเจนคาเดียวแต่สดบอ่อไร่โหดอ <c oughs> าธรรมใจบอ่อดำอยากจาบอ่อติดาเบียนขี้หือ่อใสสะลีน้อยนาดได้ไม่มาดเครื่องใจถึงอยู่ไหนตุกอย่างในใจกว้ า, วางสุดตา จงออดซาเลี่ยงเจ้าดังลูกเตาได้ตนได้อยู่บนภาสาดงามวาววาดเยียงจิ้นดังองอินเตปไทยเนระบิดไว้ยอปันคนจอมกันอยู่้างมีใจห่างเสียธรรมเอืดมัวดำไร้โหดปองกระตาโตดนานางเครื่องกาห่อนไม่จากสุขใดสันใด ขอใส่ใจนอน้อยคึ้ที่ถอยตามรายคนยิงใจลัางพ่องอยู่ในห้องเกหาสุงสุตตากำม้าใจต่ำกว่าดินดานพ่องตกหานกัญญากตกลำบากอนาถาอยู่เกหาเฮือนต่ำใจนั้นซ้ำสุงลายคนยิงใจโลกใต้มีพร้อมไข่านานา เท่าสองขาลมเล่ายังนังหนุมเนาบุญมีด้วยวาตีบ่อน้อยเพื่อหือยอดซอยบุญเรื่องหายกำเครื่องหมนไมบ่กืคขวัยนีไกเอออดใจอยู่เฝ้าเป็นลูกเต่าเตรียมตนส่วนนางตามุญน้อยนาดฟังถ้อยวาเจียนจาแห่งสองขาปูฟ้าหากโศกามองผ่าน ใจเจย์บ้านเจืินจ้อยจริงตอบ้อยกำไปว่าขออาศัยสองเท่าเป็นลูกเต้าเตรียมตนถึงตาร่นกันยากบอลาผาไก่ก้ามอาสาอยูกก่ใกล้จูจวยใจกะตำการสองเท่าผ่านปู่ยากกั น, ก, นกับนางหนอลสาสาวซี ต่างคนมีใจเจืินปีติตื่นใจบ้านใครกำบานตอบท้อยมีบ่หน่อยนานาก็มีหันแลยนานาต่อปัญญาแรกแต่นันไปนาบ่เดินจ้าสามวันนางกำนันก่อมใจแห่งนางบบใบมัตนี ก็นานามีน้อยใหญ่พร้อมไข่สิบายก่อพันภายก็พากออกไปจากเมียงใจเพื่อจากไปอาบเล่นตีน้ำเตนวังทาน <c oughs> ริมสาธานที่อยู่แห่งป้าปูสองขากันเตียวมาตีไกเขาหอมไก่กันทั้งคือสาบยังกินดอก หอมลำหมอกเหลือใจเขาสงสัยไขหูก่อไปสู่เกฮาแห่งสองขาปูป้าก่อหันหนอละสาวรามละคานางามว่าวองอยู่ในห้องเกฮาแห่งสองขาแกเท่า ง, งามแต่เล่าเหลือคน กันทะาตนปุ่งออกดังกินดอกบัวบานยำหลบปานปัดตองหอมรอดทองแดนไก่จุมนังในมวลหมูยินไข่หูขีญาจิงพุชชาทำเล่าสึ่งสองเท่าค้นผ่านว่าเป็นลานจัดเชือหรือลูกหนอเลือสายใจหรือเป็นไผ่ไก่ไก มาโยไปเกหาสันไดจ้านา่งอ่อนหอมบอ่อผนเรือลายกันท่าไผยฟุ้งออกเป็นดั่งดอกบอัวคำจุงไขกัมบอกเหล่าเฮอหูเก้าขี้ยาเท้าสองขาขี้ไ ร, บร่บ่อคึดไขหันไผบอ่อขึอ้ดไก่ไฟนาะ ก็ตอบตาครปันฮือดังคำนั้นบนหมูได้แจงหูตามมีจุมนาริก่อนใจหูแจงไขอาการพ้องใจบ้านจมื่นพ้องใจตื่นอาสัจจันทร์ก็ออปะกันลาภาคออกไปจากเกหาแห่งสองขาป้าปู รีบไปสู่วังท่านเล่นสำรานอาบน้ำดารอดคำเตึงตั้นจริงปะกันปอกสู่ยังที่อยู่ห่อใจ <c oughs> แล้วก็ใครบอกเล่าแก่นั่งบบกเศร้ า, ามัตตานีผู้บอดีมักใหญ่ฮือหูไขจูพากการก็มีหันและนะา สังวาจานังสุดตาส่วนนางมัตตานีใจถอยได้ยินถอยกำจ่าแห่งนางกัญญาวุหมูมันขวาดหัวสับปันว่าสาวสาววันวิเศษอยู่ในเขตเกหาแห่งสองขาขี้ไรมีกินไก้หอมดัวเกิดเป็นตัวพดออก จากดวงดอกบวับวไข่บ่อใจภัยแต่ใสเป็นอีถอยไร่ปิ่นคำอันกูนำไปค่าให้ความน่าเป็นพีกางโบครณีเมื่อกอน <c oughs> มันบ่ฮอนดีหายวิญญาณกายก็เกิดเอากำเนิดติดคำในดอกบวัวคำดวงใหญ่อันแม่ไทยเตวี เ อ, อตาสีหนุ่มเนามาน้อมเก่าปันกู้กูพอดูหันลากันถ้ามาคอมนัวบอ่อเหมือนบัวม้วนหมู่อันมีอยู่ธรรมดากินกันท่ารถเราดังกินดางหนุ่มเนาปินคำกู้จริงกคำสัดคว้ามออกหน้าต่างเบ่งจอนตกดินดอนฝุ่นหญ้าแม่นปูหญ้าสองขา เดวต่างมาปะใส่เก็บเมียดไว้นำไปย้อนมีใจจื่อสู้หอมกินกูบอ่อบ้านสวนวิญญาณจิตเจตแห่งดางผีเพดปินคำอันติดคำดอกไม้กาละไข่เตั้งตันก็พายพันบังเกิดเป็นโอปา ป, ปาติกากำเนิดบัดเดียวขึ้นใหญ่เร็วบอ่อจ้า หันต่อนาสับมันแม่นตัวมันแต่เล่าอีบาบเศร้าปินคำใจมันดงอยาบจะมักไค่ค่าตนกูจริงเกิดจูตีไก่กันละไว้นานไปจักเป็นภายได้แล้ว่าถึงแก่ตนกูกูบอจูด้วยง่ายบอกรีไปไปไหน จักเรียวไว้ไปคาหื้อความนามาราานางปาลาบาใบาหูแจง้งไข่ในใจแล้วจะไขาก่าู้ฮือแกมั่กัญญาวานางนันนาเปตบ่อใจสาววิเศษเมืองบนบ่อใจขนโลกไตมีบุญใหญ่กับกายเป็นผีพายหยาบจ้า กับเป็ดน้าเป็นสาวเพื่อวังเปล่าเข้าใส่คนไผ่ไตยิงใจเฮือได้ตายบวยมั่งพับเมืองกวางธานี <c oughs> บอกควนดีละไว้ฮืออยู่ได้นานไปถึงรอดในวันผูกกาละถูกยมาตาวันกาต่ำก้อย จะคือพวกน้อยใจไฟรีบเป็วไว้ไปคาือความนาวามไวจังและนะตาตาในกาละนั้นยังมีกัญญาคาใจคนหนึ่งใส่ดูป้าพงเป็นสาวหนุ่มเดาฟังนางถอยเศร้ามัตต์นี ไขาวาติกะหยาบเข้าสาราเถึงหูกกึ้ดอินดูขค่อยยังนางนาดน้อยบุญนำบ่อไขกคำเ ก, ก่าเออแก่ผูคนได้ึืดได้ใจดันสอดว่าวันผูกรอเติงตันกูจักผันไปสู่ยังตีอยู่เกหา แห่งสองขาแก่เท่าแล้วบอกเ่าตา ม, มิหือสาวสีเวนฟ้ารีบมนีกว่าเสียไกลควนจังเละนะค <c oughs> ุณตีว่าเสกันวันลุนและรุงอาติดปุ่งเรื่องไรคนเวียงใจเตยวออกคนไปนอกเตีวมานางกันยาหนุหน่มเ า, า่าก่อก้มเกาอัญจุลี บอกนางมัตตานีห้าวห า, หาว่าขอไปกาดว่าเดียวจักรรีบเร็วปิกปอกวายน่าออกขึ้นมากันไวสาสั่งแล้วนั่งยอดแก้วตาสีก็รีบนี้ไปสู่ยังที่อยู่เกหาแห่งสองขาปาปูาป บอกคือหูวความในว่าบัตีิภัยยหญ่ใหญ่จักเกิดไกมาปานคือนางมานบาไบสะไปไม่เทวีใจบอดีก็หยาบจักข้าาบตกปันหืหลัมชะกันพวกน้อยมาฟักหน่อยแต่งฟันยังสาวสะวันหลอบา ฮือได้เข้ามาราดาจุงรีบจากเกาทอยคือนางยอดซอยสาวสีได้รีบนีอย่าจเจ้าตั้งนาเป็นไปข <c oughs> ้ามาไขฮือหูอยาเกาอูไปลายกันนางผีพายหู้รอดขาเตียงหมอดเป็นผีกันไขวาตีบอกแล้ว น้องนอกแก้วกัญญาก็ปอกมาไหววาดเข้าสู่กาดลีหลวงซสื้อขา้าพุวงดอกไม้ตั้งเรื่องใจหลายอันแสงภายพันรีพาวขึ้นสู่ดาวอ่อใจนำมาไล่ดอกซ้อมไปยืนน้อม น, นั่งมัตตานีก็มีหันและนาะ เตปนานาอุโพส่วนสองขาป้าปูกันได้หูความในยินตกใจสะดุ้งสติปุ้งเหลือลาย <c oughs> สรรสาสยญาญันหัวใจปันเววาตกเครื่องกาลาลแลสระแพรไปไหนก็รีบไขเกาอู้ฮือนังกินกูบัวบาน หูวอาการหอนไม่ว่าดุระแก้วแก่นไทยสายตาบัดดีนาไผใหญ่จากมาไล่ต่อจนเหตุนางตาหมุนบาไป <c oughs> สะไปใหม่หอใจมันมีใจมักบาปจักขานาบตกปันหื้อล้ำชากันผวกกามาคำคาปันแตงยังสายรองแป้งยอดซอย คือกาดก้อยอินทีนังจุงนีจากนีไปสอนลีแดนไกจุงเร็วไว้อย่าเจ้าเอาตั้งนาเป็นไม้เวนสังหลแต่เราสะยองตอบเจ้าลายหน เราสองคนป้าปูวังฮืออยู่เตรียมขิงเปืือเปิ่งพิงไวยไขรลุกบ่อใดรวยแรงฮือสายรองแป้งหล่อเบาใดอยู่เฝ้ายายากันมารน า, ามวยหมอดือนางตอดทรงสการตามอันผ่านอยากไรตามหาใดบีมา สองเราราเกิดไว้บ่อหอนได้ดังหมายคอชมชายอ่อนน้อยอยาห่วงหอยอะไรรีบตัดใจลาภาก อ, อกไปจากเกหาสองเรารานี่เหล่าหากแก่เท่ารวยแรงเตี้ยวบ่อแข่งเบื่อก่อนเขียวก็ลอนพมขาวเน็ตซึงดาวเป็นเตือห่อนพับเนื้อเป็นหน เอสองคนหากคูว่ว่าบ่ออาจอยู่ไปนานส่วนสรีนงคันดำเลิดพงพดเกิดเป็นคนรักษาตนปลายนาบุญแก่กามาตันเจ้าหอจันภาษาสบ่อหอนกาดเสียนในจักสุขใจคำเจ้าได้เป็นเก้าเตวีข้อใสสะดีงามแงายาฮักเท่าแกสองรา จุงรักษาตัวเจ้าเือเตียงเต้าเย่าไฟจุงเร็วไวแดนดีดีจากนี้ตามคำแดดเตอร์ <c oughs> เมื่อนั่นสาวสลีนยอดซอยได้ยินทอยคำจาแห่งสองขาป้าปูร้อนวาววูปันไฟหัวใจไหวสะต้อนตกทางคอนน้ำน้า ความเครื่องกาศไม่ดังดอยใหญ่ตกทมสะนี่อูดมกินกู้กานิิงอยู่ในใจว่าวินกำได้นีเล่าสั่งมาเต้าเลือลายบอกหูภายยังผ่อนตัวไหลตอนต่อจนเกิดเป็นคนหนึ่งจะตกไม่มาดลหลที่ความเครื่องขี่ไม่เดือดบอกหูเหือดนี่ไก่ จักไปไหนนีไซสหืออยู่ใดเจอบ้านกันรอนานเนินจาตันเตียงค่าเมื่อมอนจักเทียวจรจากนี้ไปสู่ตีได้จ้านางโสภาด้อยนาดคะนิ่งขวาดในใจแล้วจะใครบอกเราแก่สองเท่าผัวเมียว่าขอนีเสียจากห้องไปสู่ต้องไกลตา อทำกํามปาจักสอนบ่บันกฎหมายกันบ่ตายความนาบุญแก่กายังมีได้เป็นดีเตียงเต้าบ่ลืมเท่าสองขาจักปอกมาตีเก่าตอบคุณเล่าตำมีสาวสิรีนอแก้วกันเ่าวแล้วสุดกรรก่อหอมือตํำวางเกา นบไว้เท่าสองขาอดโซกาบ่อใดตุกเอาไมเหลืออกน้ำตาตกไหลลังร้องให้สั่งอำลายังสองขาขี้ไรเงียร้องให้ก็เยี่ยหนีไปก็มีวันนั้นแหละนะ เนธที่ตังขีญาสังวันนาดาวีเศรษฐาห้องเหตุนั่งมากปิ้นคําผูกทวนแปดอาจารแพร่เป็นทราเมื่อสลีโสพาหล่อบเบานีจากเท่าคนผ่านย่อนมีบ้านมาตองฮือผาคลองละนีจักไปดีมีโจก หอยตุกศกมองผ่านหรือไปป้านมนต์เ้าผูกตีเก่ายังมีฟังดีดีนั่นใส่เตียนย่อมได้พญาบ่อปิจาระดาบ่อรู้ตันบ่ออูบ่อหันใส่กันคนได้น้อยใหญ่ไขรหูวไข้สัดจัง จุงวังยังผูกเก่าติดต่อเหล่าตัวไปผูกนี่ไขเต่าอีเตา่ตานี่วาดวางลงก่อบังกลมสมริจเสร็จแล้วเตานี่ก่อนแลว